วันธรมมรมสวรรค์วันฟังธรรมวันชำระกายวาจาใจให้สะอาดเพราะความสะอาดของกายวาจาใจทําให้จิตมีความสุขมีความเจริญสิ่งที่ทําให้กายวาจาใจไม่สะอาดก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ต่างๆคือความโลภความโกรธและความหลงการมาวัดมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมเป็นการชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่มาทำให้กายวาจาใจไม่สะอาด ทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายกไม่สบายใจพอได้รับการชำระด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาแล้วใจก็จะสะอาดขึ้นตามลำดับและจะสะอาดจนหมดไปได้อย่างถาวรกลายเป็นบริสุทธิพุทโธ เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการที่เรามาวัดในวันธรรมสวรนะในวันพระนี้กันอย่างสม่ำเสมอต้องถือว่าเป็นภา ร, รกิจที่สำคัญของชีวิตเป็นเหมือนกับการทรมาหากินทางร่างกาย เราต้องออกไปทำรรมาหากินเพื่อที่เราจะได้มีรายได้มาหามาซื้อปัจจัยสี่เพราะถ้าร่างกายของเราขาดปัดจจัยสีร่างกายของเราก็จะอยู่ต่อไปไม่ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันจะหาความสุขไม่ได้ถ้ามีกิเลส ความเศร้าหมองคอยหุ้มห่อจิตใจของเราแต่ถ้าเราได้มาชำระมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอความทุกข์ความเศร้ามองที่หุ้มห่อจิตใจก็จะเบาบางลงไปและ จะหมดไปได้ในที่สุดเราจึงต้องทำหน้าที่ของการมาวัดในวันธรรมสวรรเหมือนกับการทำหน้าที่ทำมาหากินหารายได้มาจุนเจืออัตภาพร่างกายของเราเพราะชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจร่างกายต้องการปัจจัยสีจิตใจก็ต้องการความสะอาดบริสุทธิ์ต้องการชำระความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเราจึงควรที่จะชำระกายวาจาใจของเราอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเราไม่สะดวกที่จะชำระในวันพระเพราะเราอาจจะมีภารกิจการงานที่ต้องไปทำก็ขอให้เราใช้วันอื่นที่เราว่างจากการงานมาเป็นวันชำระกายวา จ, จาใจของเราก็ได้ถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ เราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระแทนก็ได้มาวัดในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้ปฏิบัติชำระกายวาจาใจเหมือนกับมาวันพระไม่ตกต่างกันเพราะมาวันพระหรือมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้ทำบุญให้ทานเหมือนกันได้รักษาศีลเหมือนกันได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่มีการสมาทานศีลแต่ก็ไม่สำคัญเพราะการจะมีศีลนั้นอยู่ที่การรักษาของเราการสมาทานนี้เป็นเพียงการตั้งเจตนารมณ์เป็นการขอความรู้จากพระภิกษุให้สอนว่าศีลมีอะไรมาก ยงที่เมื่อกี้ได้สมาทานศีลห้าก็ได้แสดงแจ้งไว้ให้ว่าข้อที่หนึ่งก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประฤพิผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดมดเท็ดละเว้นจากการเสพสุรายาเมานี่คือศีลห้าข้อ ที่จะช่วยละชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดถ้าเรารู้แล้วว่าศีลห้ามีอะไรเราก็สามารถรักษาไปได้เลยโดยไม่ต้องสมาทานก็ได้เราอยู่บ้านเราอยากจะรักษาศีลวันไหนเราก็เพียงแต่ตั้งจิตอธิษฐาน คือความตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีล5ข้อนี้แล้วเราก็รักษาไปไม่จำเป็นที่จะต้องมีพระมาให้ศีลกับเราการให้ศีลที่พระให้นี้เป็นธรรมเนียมที่ทำการเป็นประจำและเพื่อเป็นการย้ำเตือนหรือสอน ผู้ที่ไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างจะได้รู้เท่านั้นเองแต่ศีลนี้อยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเรารักษาเราก็มีศีลถ้าเราไม่รักษาเราก็ไม่มีศีลศีลนี้พระให้กับเราไม่ได้ศีลนี้เป็นของใครของมันแจกกันไม่ได้เหมือนกับอาหาร หรือเท่าของต่างๆสิ่ง น, นี้จะต้องเกิดจากการรักษาเกิดจากการมีหิริโอตตะปะคือความละอายและความกลัวบาปถ้าเรามีความละอายความกลัวบาปเราก็จะไม่กล้าทําบาปเราก็จะมีสิลขึ้นมาการที่จะมีความละอายได้เราต้องรู้ว่าการกระทําบาปนี้ เป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมยินดีเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้ทำเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเวลาที่เราทำผิดศีลแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเรา ถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราชื่นชมยินดีในตัวเราเราก็ต้องมีศีเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะให้คนเขาชอบเราเราก็ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามแต่งหน้าทาปากหวีเข้าหวีผมทาน้ำหอม แต่นี่เป็นความสวยงามของร่างกายซึ่งไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงของเราเพราะเราถ้าไม่มีศีลยังเป็นคนทําบาปทํากรรมอยู่ถึงแม้เราจะมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามไว้สวมใส่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่ก็จะไม่ประทับใจ ของคนที่เขารู้ว่าเรานี้เป็นคนที่ไม่มีศีลเช่นยังชอบลักเล็กขโมยน้อยยังชอบประพฤติผิดโปรวณียังชอบโกหกหลอกลวงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถึงแม้จะมีหน้าตาสวยงามเสื้อผ้าสวมใส่ที่สวยงามแต่ก็จะไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีเพราะว่า คนที่ไม่มีศีลนี้จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยงามเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีเราก็ต้องมีศีลถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะเป็นคนที่อับอายขายหน้าผู้อื่นนี่คือความหมายของความ ละอายในการทำบาปเพราะว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเราจะเป็นคนไม่สวยงามนั่เองเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่เวลาเราจะออกนอกบ้านนี้เราต้องหาเสื้อผ้าสวมใส่เราไม่กล้าออกนอกบ้านโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ออกไปล่อนจ้อนอย่างนี้เราไม่กล้าออกไปเพราะเราอายชาวบ้านเขา ชันใดผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้สวมใส่ดังนั้นเราจึงควรที่จะมีศีลเพื่อที่เราจะได้ไม่อับอายขายหน้าชาวบ้านเวลาเราครบค้าสมาคมกับใครเราจะไม่รู้สึกอับอายขายหน้าเขาเพราะเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองส่วน คำว่าโอตตปะก็คือความกลัวบาป ค, ความกลัวบาปก็คือกลัวโทษของบาปที่เกิดขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วเรากำลังสร้างนรกขึ้นมาให้ที่ใจให้ใจของเราเป็นการสร้างความทุกข์ความรุ่นร้อนให้กับใจของเราสร้างความหวาดกลัวสร้างความวิตกขึ้นมา เวลาเราทําบาสนี้ใจของเราจะไม่สบายเช่นถ้าเราไปโกหกสามีหรือโกหกภรรยาว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทําตามที่เราพูดเราก็จะมีความระวังความเกรงกลัวว่าถ้าเกิดมีใครมาบอกภรรยาหรือสามีของเรา ว่าเราไม่ได้ทำอย่างที่เราพูดเอาไว้เพียงแต่ทาเพียงแต่โกหกทั้งทั้งที่ภรรยาไม่รู้หรือสามีไม่รู้แต่ใจก็มีความทุกข์แล้วเพราะว่ากลัวว่าเขาจะรู้ขึ้นมาในภายหลังนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้พูดปดไม่ได้โกหกเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหว จะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดใจของเราจะนิ่งสงบเย็นสบายไม่ว้าวุ่นขุน ม, มวลไม่วิตกไม่กังวลเ <Yeah. S 1> ช่นเดียวกับการทำสิง <Yeah. S 1> การทำบาปข้ออื่นไปประพฤติผิดตัวณีก็เช่นเดียวกันเมื่อไปทำแล้วก็จะเกิดความกังวลเกิดความวิตกขึ้นมาหรือไปรักทรัพย์ของผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะยิ่งทำให้จิตใจของเราวุ่นวายไม่มีความสงบไม่มีความสุ ข, สขแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เราตายไปแล้วใจของเราที่ได้สะสมบาปสะสมนรกขึ้น <c oughs> ก็จะปรากฏเป็นนรกขึ้นมาภายในใจทำให้ใจต้องไปใช้กรรมในนรกแทนที่จะไป รับบุญในสวรรค์ก็ต้องไปใช้กรรมในนรกเพราะการกระทำบาสนี้เป็นการสร้างนารกให้แก่ใจของเรานั่นเองดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อว่าทําบาปแล้วต้องไปใช้กรรมในนรกเราก็จะกลัวไม่กล้าทําบาปเมื่อเราไม่ทําบาปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปตกนรก นี่คือเครื่องมือหรือธรรมะที่จะช่วยให้เรารักษาศีลได้ก็คือการมีฮิริอโหตปัดมีความอายความเกรงกลัวบาปและผลของบาปที่จะตามมาต่อไปชีวิตของพวกเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดลงที่การตายของร่างกาย การตายของร่างกายนี้เป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเองแต่ชีวิตของเรายังดำเนินต่อไปเพราะใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเหมือนกับร่างกายไม่ได้เป็นอะไรไปกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดเราก็ทิ้งไปแล้วเราก็หาเสื้อผ้าใหม่มาใส่ต่อไปใจก็เป็นเช่นนั้น เวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ต้องไปเกิดใหม่ไปตามอำนาจของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทาบาปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายไปตกนรกออกจากนารกก็มาเกิดเป็นเปรตออกมาจากเปรตก็มาเป็นเดราาัจฉานแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอาการ32ที่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์มีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มีอายุสั้นเพราะอนิสงส์จากการทำบาปที่ยังติดมากับใจ เราสังเกต ด, ดูได้ว่าทำไมพวกเราที่เกิดมาในโลกนี้เราจึงไม่เหมือนกันทาไมบางคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามบางคนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามทั้งๆที่เป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันแทๆ้ๆแต่รูปร่างหน้าตายังไม่เหมือนกันเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าจิตที่มาครอบครองร่างกายของ ของแม่ที่ตั้งอยู่ในคันนี้จะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนั้นถ้าร่างกายที่มีจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่ดีจิตที่มีบุญมีกุศลก็จะทำให้ร่างกายนี้มีความสวยงามแต่ถ้าใจที่มาครอบครองร่างกายเป็นใจที่หม่นหมองเศร้าหมองมีความทุกข์ มีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจก็จะทำให้ร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตในคันนั้นมีความมีรูปร่างที่ไม่สวยงามไม่สมประกอบอาการ32ไม่ครบอวัยวะต่างๆทำงานไม่เป็นปกติมีโรคติดมีโรคติดตัวมาด้วยนี่เป็นอันี่สองของ บุญและบาปนะถ้าทำบุญใจก็จะสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะสงบเย็นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจที่เย็นที่สงบนี้ก็จะไปเกิดในสวรรค์เพราะสวรรค์ก็คือสถานที่สงบที่เย็นที่ที่สุขที่สบายนี้เองแล้วเมื่อหมดบุญแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้ร่างกายที่สวยงาม รูปล่างหน้าตาสวยงามมีอาการส2สองที่ครบมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนานนี่เป็นอนิสง์ของการไม่ทำบาปของการทำบุญแล้วยิ่งถ้าได้ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย ใจนี้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกไม่ต้องมาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายอีกต่อไปการเกิดนี้ถึงแม้จะมีความสุขแต่จะมีความทุกข์มากกว่าหลายร้อยเท่าด้วยกันผู้ที่ฉลาดจะเห็นว่าการเกิดนี้ไม่ดีเลยการไม่เกิดนี้จะดีกว่า เพราะจิตที่ไม่เกิดนี้เป็นจิตที่มีความสุขเต็มที่ถ้ามาเกิดก็จะต้องมาแบบเอาความทุกข์ไปด้วย<ม>เวลาเกิดนี่ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องหยงร้องไห้แล้วนี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งเพราะต้องมาสัมผัสกับโธฏพพะคือบรรยากาศที่ไม่อบอุ่นเหมือนกับเวลาที่อยู่ในท้องแม่ ออกมาแล้วก็ต้องหายใจเองเวลาอยู่ในท้องแม่นี้ไม่ต้องหายใจอาศัยลมหายใจของแม่อยู่ในท้องแม่นี้สบายแต่พอออกมาแล้วนี่ลำบากต้องหายใจเองต้องดื่มน้ำเองต้องกินอาหารเองนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วพอเดี๋ยวก็หิวแล้วกินไปได้เดี๋ยวเดียวก็หิวพอหิวก็ร้องห่มร้องไห้ รบกวนพ่อแม่ตลอดเวลาแล้วพอโตขึ้นมาก็ต้องมาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องมาดูแลรักษาอัตภาพชีวิตของตนแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องมาตายไปการเกิดจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี คนฉลาดนั้นจึงมีความปรารถนาที่ไม่เกิดเพราะการไม่เกิดนี้จะทำให้ไม่มีความทุกข์นั่นเองดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นกาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดในภพไหนชั้นใดก็ตามภพเหล่านั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่ถือ อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันถ้าไปเกิดในอบายนี้จะมีทุกข์มากแต่ถ้าไปเกิดในสุขติไปเกิดในสวรรค์ก็จะมีทุกข์น้อยแต่ก็ยังมีอยู่เวลาที่หมดบุญนี้เป็นเทวดาก็ต้องตกจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็เป็นความทุกข์แล้วแต่ทุกข์น้อยกว่าผู้ที่ไปใช้กรรมในนรก ไปใช้กรรมในการเป็นเปรตหรือเป็นเดราาัจฉานดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ไว้อยู่เรื่อยๆแล้วเอามาพิสูจน์ดูเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ขอให้เราคอยสังเกตดูที่ใจของเราก็แล้วกันเวลาเราทำบาปแล้วใจของเราเป็นอย่างไร เวลาเราทำบุญหรือไม่ทำบาปแล้วใจของเราเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากเวลาไม่ทำบาปเวลาทำบุญนี้ใจจะยิ้สึกเย็นสบายมีความสุขมีความพอใจมีความอิ่มแต่เวลาที่เราทำบาปไม่ได้ทำบุญนี้ใจของเราจะมีความรุ่มร้อน มีความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวมีความวิตกมีความกังวลนี่แหละคือนรกทั้งเป็นนรกที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาไม่มีร่างกายมันก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่มันจะเป็นยาวกว่าในขณะที่เป็นมนุษย์เพราะในขณะที่เป็นมนุษย์นี้เราสลับสร้างนารกสร้างสวรรค์ไปเช่นวันนี้เรามาสร้างสวรรค์กัน ใจเราก็มีความสงบถ้าพรุ่งนี้เราไปทำบาปไปโกหกหลอกลวงไปลักขโมยเราก็ไปสร้างนารกให้แก่ใจของเรานารกของเราในปัจจุบันนี้ยังไม่ยาวเหมือนกับนรก ท, นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไม่ได้มีโอกาสทำบุญหรือทำบาปสลับกันเหมือนกับในขณะที่เรา มีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้าเป็นผลของบาปที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปอย่างยาวไปจนกว่ามันจะหมดหมดกำลังเช่นเดียวกับบุญถ้าเป็นผลของบุญได้เกิดบนสวรรค์มันก็จะเป็นสวรรค์ไปจนกว่ามันจะหมดกำลังแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ในปัจจุบันนี้ เราสลับกันไปแล้วแต่กรรมที่เราทำแล้วแต่การกระทำของเราถ้าเราทำบาปใจของเราก็เป็นนรกขึ้นมาถ้าเราทำบุญใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมานี่แล้วเป็นเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์อยู่ที่ใจของเราที่เราสามารถพิสูจน์ได้เพียงแต่เราคอยสังเกตดูใจของเราเท่านั้นว่า ตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรมีความสุขหรือไม่มีความสุขถ้าไม่มีความสุขแสดงว่าใจของเรากำลังเป็นนรกและเหตุของการเป็นนรกก็คือการไปทำบาปหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการทำงานของกิเลสเวลากิเลสทำงานเช่นเวลาโกรธมากๆมันก็เป็นนรกขึ้นมาหรือเวลาโลภมากๆมันก็เป็นนรกขึ้นมา เวลาโลกนี้ก็อยากจะได้อยากให้ได้หรืออยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้หรือมีความไม่แน่นอนขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเช่นเรารักอะไรเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่พอเราเกิดมีความไม่แน่ใจขึ้นมา ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานๆหรือเปล่าเราก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาภายในใจทันทีเราก็กำลังตกนรกทันทีแต่ถ้าเราไม่อยากจะตกนรกจากการที่เราไปรักคนคนคนอื่นเราก็ต้องตัดใจอย่าไปรักเขามากจนเกินไปรักเขาพอประมาณคือถ้าเขาจะอยู่กับเราก็อยู่ไป ถ้าเขาไม่อยู่กับเราก็ให้เขาไปอย่าไปยึดติดเจอกระทั่งต้องให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเพราะถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะสร้างนรกขึ้นมาแทนที่จะเป็นสวรรค์ในขณะที่อยู่กับเขาเรากับตกนรกแต่ถ้าเราเอาตามมีตามเกิดคืออยู่กับเราก็ได้ไม่อยู่กับเราก็ได้เราอย่าไปยึดติดเราอย่าไปอยากให้เขา ต้องอยู่กับเราไปตลอดหรือต้องให้เขาดีกับเราไปตลอดเพราะถ้าเขาไม่ดีหรือไม่อยู่กับเราเราก็จะทุกข์ทรมานใจสร้างนรกขึ้นมาโดยใช่เหตุสร้างขึ้นมาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้นั่นเองแต่ถ้าเราได้เข้ามาหาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราชำระความโลภความโกรธ อย่าไปหลงอย่าไปรักอะไรมากๆอย่าไปอยากได้อะไรมากๆให้อยากได้แต่ตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าอย่างนี้แล้วจะไม่ตกนรกจะไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าอยากจะได้อยากจะมีต้องได้ต้องมีอย่างเดียวพอไม่ได้ตามใจอยากก็จะต้องทุกข์ทรมานใจซึ่งเราไม่ ไม่ควรที่จะต้องเป็นอย่างนี้เลยเพราะเราสามารถควบคุมใจของเราได้ถ้าเรารู้ถึงผลที่จะตามมาจากความอยากของเราจากความโลภของเราจากความโกรธของเราเราก็จะไม่กล้าโลภไม่กล้าโกรธไม่กล้าอยากเราก็จะอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรได้อะไรมาก็พอใจกับสิ่งที่ได้ มีอะไรก็พอใจกับสิ่งที่มีอะไรจะไปก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดานี่คือการชำระใจของเราให้สะอาดถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้สักวันหนึ่งเราจะต้องจากเขาไป หรือเขาต้องจากเราไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรเพราะเรารู้ถ้าเราได้มาแล้วและเราต้องจากเขาไปเราจะเสีย อ, อกเสียใจจะทุกขทรมานใจถ้าเรามีปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้จะต้องให้ความทุกข์กับเราต่อไปอเราก็จะไม่อยากได้อะไร เพราะเราไม่หลงแล้วเมื่อก่อนที่เราหลงเราคิดว่าเราได้สิ่งนั้นมาสิ่งนี้มาได้คนนั้นได้คนนี้มาเราจะมีความสุขแต่เราลืมคิดไปว่าเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่ได้ดีกับเราไปตลอดพอเวลาที่เขาไม่อยู่กับเราหรือเขาเปลี่ยนไปเราจะต้องทุกขทรมานใจถ้าเราสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อย เราก็จะฉลาดเราก็จะไม่หลงพอเราไม่หลงแล้วเราก็จะไม่โน้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรพอเราไม่อยากได้อะไรไม่มีอะไรเราก็จะไม่โกรธใครเวลาที่เราโกรธนี้เพราะเราไม่ได้ดังใจนั่นเองเวลาอยากได้อะไรแล้วคนอื่นมาขัดขวางมาทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธขึ้นมาทันที นี่คือการมาชำระกายวาจาใจชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมวิธีนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้วิธีเดียวที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมด ให้หมดไปได้ทั้งหมดไม่มีวิธีอื่นพระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองมาหลายวิธีแล้วก็ทรงเห็นว่าวิธีนี้เท่านั้นแหลที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้วิธีที่จะสร้างความสุขที่ถาวรให้กับใจได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่การ ทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นวิธีอื่นไม่ใช่วิธีดับความทุกข์สร้างความสุขแต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไปจึงขอให้เรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้พยายามน้อมเอาไปปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วชีวิตจิตใจของเรา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 ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันงเธอ